ไม่เอาหรอกสภาวะใดๆทั้งสิ้นเพราะสภาวะทั้งหลายนั้นเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์แค่นั้นเองตอนนี้พวกเราภาวนาเข้ารองเข้ารอยเยอะนะสองคนนี้ดีของคุณยังติดเพ่งนิดหน่อยท่านั้นนะของคุณต้นก็ดีเน้นประกองไว้เล็กน้อยจิตมีโมหะดูกหมมีโ ม, ม, มหะรู้เฉยๆมาถึงวันนี้นะพวกเราที่ภาวนาเป็นเนี่ยเยอะมากเลยเยอะมากนะอีก3ปีปีอะไรเนี่ยต้องเกิดพระริยาอีกเยอะแยะเลย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 แ ล, แล้วมีเทคนิคการตั้งมัน่นไหมครับให้รู้จิตที่ไม่ตั้งมัน่นบอกแล้วดูไม่ออก <c oughs> บอกเพียครั้งที่สองเห็นไหมให้รู้ฐานจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะครั บ, รบขอบคุณครับเบอร์หกณ น, นขณะ น, นี้เมื่อเมื่อเทียบกับเมื่อเช้าเนี่ยตอนนี้รู้สึกสบายกว่าแล้วก็จะถามหลวงพ่อว่ากรรมาฐานที่ผมปฏิบัติทั้งแบบเคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหวเนี่ยแบบไหนเหมาะกับผมครับเคลื่อนไหวไว้สินะ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 ถ้ารู้กายถูกต้องก็เกิดสติเกิดสัมมาสมาธิเกิดปัญญาถ้ารู้จิตถูกต้องก็มีสติมีสัมมาสมาธิมีปัญญาเหมือนกันเปียบเลยเรามีอีกอันนึงค่ะทำไมหนูยังรู้สึกว่ามีตัวตัวอยู่ตัว <c oughs> ตนอยู่เพราะยังเป็นปุถุชนเยี่ยมันต้องมี <c oughs> ถ้าไม่มีก็คือมองไม่เห็น <c oughs> มองเห็นน่ะดีแล้วอ๋อหรอคะ เห็นลุงพ่อบอกว่าถ้าภาวนาถูกมันจะเห็นว่าเราไม่ไม่มีเห็นไหมความเป็นเราเกิดขึ้นเป็นคลาว์ดูออกไหไม่ได้มีตลอดเวลาดูออกไหมใช่ค่ะเห็นไหมตัวตนไม่ได้มีจริงหรอกมันเกิดขึ้นเป็นคลาว์ไม่ได้มีถาวรละดูไปอย่างนี้แหละค่ะขอบคุณค่ะร40หลวงพ่อคะที่หนูทํามาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะถูกต้องไหมคะยังติดอะไรอยู่ไหมคะ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 โอ้โหนี่ลูกเขยในอุดมกติหาแม่วาัาแม่ใหญ่มาวัดบางคนนะหลวงพ่อเคยรู้จักเมียขี้บน่นเมียนะจู้จี้ขี้บน่นเอาแต่ใจหงุดหงิดนะสามีขึ้นรถมาทีไรก็จะ บ, บน่นตลอดทางด้านหลังก็มีไม้ตายขึ้นรถเ็าเปิดซีดีหลวงพ่อเมียไม่กล้า บ, บน่นกลัวจะเถียงกับพระสามีนะโอ้ภรรยานึกว่าสามีเนะี่ยสนใจธรรมะมา ก, มาก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 ออจิตนี้ไปคิดรั่วไปคิดไม่ห้ามนะไม่ห้ามโยมมีความรู้สึกว่ามีผู้ดูอยู่ใช้<อ>ได้ไหมคะผู้ดูของโยมเนี่ยมันนิ่งเกินไปนเราอย่าให้มีตัวผู้รู้ผู้ดูอยู่ตลอดเวลามีก็มีไม่มีก็แล้วไปเกิดเกิดดับดับได้ถ้าเราพยายามประคองตัวผู้รู้ไว้ตลอดเวลาจะกลายกเป็นการเพ่งไว้เป <นะ S 2> ็นการเพ่งบุรุ้หลว ง, งพ่อเคยเป็นนะ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 แล้วเขามันไปสงสารเขาอืแล้วก็รู้สึกว่าอือยากจะพูดดีกับเขาแต่ว่าไม่ใช่เป็นการคิดนะฮะเขาเกิดขึ้นเองในใจี่ด<ะ>ีคแล้วยังรู้สึกไหมมีเราหรือไม่มีไม่ไม่ได้สังเกตไปดูนะคะมีความรู้สึกเป็นเราผุดขึ้นมาไหมในใจไปดูนะคะเออนาเก่งๆให้ดูตัวนี้เบอยี่สิบหกเดี๋ยวนะที่เหลือยังทันอยู่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 หนูร้องไห้ออกมาไงฮะเพราะว่ากระแสมันเข้ามาถึงจิตเราแล้วเราสงสารเด็กแค่อายุสิบสองสิบสามเราดูของเราไปนะอย่าให้มันครอบงำจิต อ, อันนั้นมันถูกครอบงำนะอเอาอารมณ์ภายนอกมาครอบงำ อ, อาคุณบัณ์พจนี่ก็เชียงใหม่ครับกราบนะักวิศาการครับหลวงพ่อโยมมาคราวนี้ก็คือ